สังคาทิเศษสิกขาบทที่สิบภิกษุณีผู้ส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าน้องหญิงทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่เลยไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งจบยติ ต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนละใจสามจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศตสังคาทิเศต10สิกขาบทจบ